เ่านิทานอีกแล้วเรื่องจองเวนกันนะ่ะเหลือเรื่องอะไรเรื่องหมีกับไม้สครอสหรอ่อางั้นเล่าเรื่องหมีกับไม้สครอให้ฟังไม้สครอบางภาคเรียกไม้ตะคราะบางภาคเรียกไม้สครอต่บ้านเรามาเรียกไม้คราะเฉยเป็นไม้ไม้ป่าดงดิบยืนต้นลักษณะต้นคล้ายๆล้ายคล้ายตะแบกใบผลคล้ายๆล้ายำใหญ่แต่ใบให่ จะโตกว่าลำใหญ่โบราณเล่าไว้นานแล้วว่ามีขมายสะคราอเนี่ยไม่ถูกกันเป็นศัตรูกันมีอยู่ครั้งหนึ่งอาตมาก็ไปป่าก็นึกเรื่องนี้ขึ้นได้พอดีอาตมาก็เลยหักกิ่งไม้สะครอเนี่ยมาแล้วก็มาที่สวนสัตว์เอามาแหย่หมีที่สวนสัตว์ดูว่ามันจะกลัวไหมโยนให้มันก็จับเล่นเฉยเลยห <laughs> มีห ม, มันโตอยู่ในสวนสัตว์มไม่รู้ไม้สะครอแต่จําได้ครั้งหนึ่งสมัยอาตมาอายุสักสิบเจดสบเจ็ด เป็นคนบ้านป่าบ้านดงนะก็คือเห็นสัตว์ป่านี่เปนะเรื่องปกติธรรมดานี่ว่าสัตว์ประเภทไหนวันหนึ่งตมาแบกเสียมกับตะกร้าเนี่ยจะไปสับอน่อไม้ฝนตกพรำๆทั้งวันก็ประมาณเดือนเดือนเกเดือนเก้าเดือนสิบประมาณนั้นอะ่อนไม้จะสับอน่อไม้ก็แบกเสียมไปตมาก็เดินแบกเสียมบุกป่าเข้าไปนะเข้าไปในป่าไผ่เนี่ยเดินอ้อมต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ใหญ่ไม้บ้านตมาเรียกไม้สะพุง ก็ ค, คือไม้ที่มันเป็นปีกกว้างโคนน่นแะเป็นปีกกว้างเดินไปจ้าเอ๋กับหมีพอดีเลยมันก็เดินมาแต่มันก็เดินไปสวนทางกันพอดีแต่มาเดินสองขาหักเอาใบไม้กั้นหัวเดินมาเนี่ยหมีอ่ะช็อกแช่ช็อกแช่เอาใบไม้กั้นเป็นล่มอ่ะแต่แตมาไม่ได้กั้นแตมาก็เดินผ่าฝนไปยัง ไ, ไม่รู้จักกัน <laughs> จะไม่มีใครแนะนําให้รู้จัก <laughs> ก็เดินไปต่างคนต่างตกใจไงตอตมาก็ทิ้งเสียมตะก้าตกใจคือปกติถ้าเห็นหมีมันก็ไม่น่าจะกลัวขนาดนั้นนะแต่แต่พอตกใจอะ่ะล้วก็เราก็เดินข้ามลากไม้อยู่พอดีก็กำลัง ก, ก้าวข้ามไปนะจ้าเอ๋พอดีอะไรก็กรเดินมาไม่รู้ทิ้งหรือเปล่าตมาก็ทิ้งจอบทิ้งตะก้า ว, วิ่งขึ้นต้นไม้พอขึ้นต้นไม้ได้หันลงมาหมีก็วิ่งเข้าป่าไปโน้ ต่างกันตางวิ่งตกใจวิ่งพลัทางทีนี้มันมันเป็นเรื่องบังเอิญว่าต้นไม้ที่จะมาวิ่งขึ้นน่อคือต้นสคราอสมันไม่น่าจะเกี่ยวว่าหมีมันกลัวสเคราะห์มันคงจะตกใจจะมามากกว่าสมัยอายุสิบสิบสามสิบสี่เนี่ยก็เป็นพรานป่าแล้วธรรมามันมันมันศัตรูคู่อาฆาตครับเหมือนลําไยเลยลูกต้นหวานก็มีนะลูกเม็ดนะเหมือนลําไยทุกอย่างเลยเนื้อมันะแต่เนื้อมันจะไม่ ไม่แข็งมันลำไยเนื้อเป็นเหลวๆเนื้อสีเหลืองเม็ดเหมือนลำไยแต่เม็ดมันจะออกสีน้ําตาลลำไยสีน้ําตาลแกหรือดําใช่ไหมแต่ว่าตะเคราะเนี่ยมันจะเม็ดออกสีน้ําตาลแล้วก็ผิวมันจะผิวไม่เหมือนลำไยลำไยจะผิวสากส่วนตะเคราะผิวจะมันลูกมันอะราประทานได้เปลือกเหมือนลำไยเลยอเปลือกเหมือนลำไยแต่ว่าเปลือกมันจะหนากว่าลำไยนิดหน่อย เหมือนเหมือนลำใยป่าลำไยพื้นบ้านผิวมันแล้วก็ที่ก้นของลูกมันเนี่ยมันจะมีปลายหางแหลมๆออกมาด้วยที่ลูกมั น, น่ะหางแหลมๆออกมาใช่มันก็จะเป็นพวงเหมือนลำไยนั่นแหละลูกมันอะใบก็เหมือนลำไยแต่ใบใหญ่กว่าลูกกลมใช้ก็สมัยเป็นเด็กเด็ ก, ดกผู้หญิงเห็นเด็กผู้หญิงเขาเนี่ยเอาเม็ดสครอตเนี่ยนะเม็ดมันที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยเขามาแกะเปลือกขแข็งออกมันจะเห็นแต่นเนื้อในเม็ดมันออกขาว แล้วมันจะสีแล้วรูปทรงมันจะเหมือนกับตุ้มหูเด็กเขาจะแกะเปลือกแล้วแกะไส้มันออกเขาจะมาเหน็บหูอย่างนี้นเป็นเป็นเครื่องประดับเป็นตุ้มหูมันก็จะหนีบอยู่พอดีพอดี <c oughs> อา้าวถ้าถ้าไปป่าตะมานี่นักเรียนรุ่นเก่าพาไปป่าบอกหมดเลยเนี่ยเนี่ยมีต้นอะไรต้นอะไ ร, ะไรกินได้กินไม่ได้ลูกเป็นยังไงกินยังไงแกะให้ดูอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เรา ต, ต้องชวนไปเที่ยวป่าถึางจะเห็นอา้าพูดถึงไม้สระเคราะห์หน่อย การลักครั้งหนึ่งนานนานจนไม่รู้ไม่บอก ว, ว่ามันนานเท่าไหร่แล้วมันนานกันแล้วมีหมีตัวหนึ่งเป็นหมีเจ้าป่ามันก็เดินปกติเนี่ยหมีมันชอบกินผึ้งใช่ไหมเวลากินผึ้งเนี่ยทั้งตัวมันเนี่ยมันมีจุดอ่อนอยู่ที่เดียวหมีคือดวงตาในเวลากินผึ้งมันก็จะหลับตาเวลาไปเจอรังผึ้งมันก็จะหลับตามือคอนจับเข้าปาก แล้วถ้ากินก็จะงุงงบกบกบอยู่แทนบุนงบบุญงๆมันหมีกินพึ aside, no ada, no ่งหลับหูหลับตาไม่ไม่ไม่ใส่ใจอะไรเลยไม่สนอะไรเลยกินเสร็จแล้วมันก็ไปกินพึ่งรังหนึ่งกินเสร็จแล้วมันก็อิ่มท้องกลางมันก็เดินตัวมเตียมตัวมเตียมมาเจอต้นสครอตใหญ่มันก็แง้มมองโอไม้สครอตต้นนี้ร่มรื่นน่าดูน่านอนเหลือเกิน มันก็เดินเข้าไปใต้ร่มสเคราอ์แล้วก็เอนตัวลงนอนหลับพลอยไปหลับนานเท่าไหรไม่รู้สะดุ้งตื่นอีกทีตอนกิ่งไม้สคราะหหักลงมาใส่กระบาลพอดี <c oughs> ลมมันก็พัดเฉยๆกิ่งไม้สคราอสมันตายแล้วก็หักล่วงลงมาตรงกระบาลพอดีเลยหมีสะดุ้งตกใจไข่ามาตีหันไปหันมาอ๋อกิ่งไม้สครอสว่าไม้สคราะห์ต้นนี้บังอ่าจนนะักไม่รู้จักเราเจ้าป่าซะแล้ว อย่างนี้ต้องจัดการให้เข็ดหลบับวันหลังเรามานอนจะได้ไม่ล่วงใส่เราอีกมีเมืก็มันก็อาฆาตไม้สกรอว่าไม้สะรอนั้นปฐุสล า, ายตนมันก็หาอุบายอยู่จะทำร้ายไม้สะร อ, อย่างไงแค่เล็บตะกุยขวยนมันก็ได้แค่เป็นรอยขูดขวนแค่นั้นทำอะไรไม่ได้มันก็บ่นงมงมงแล้วก็เดินตุยตุยตุยตุ ย, ตยไปไปเจอชาวนากำลังแบกขวานมา ถามชาวนาว่าลุงจะไปไหนชาวนาบอกว่าอ๋อวันนี้จะไปหาไม้มาทำแอกสักหน่อยแอกเก่าใช้เมื่อเช้าหักพอดีไม่ใช่แอกอย่างเมื่อกี้นะแอกเมื่อกี้แอกสองแอกคู่แต่นี้แอกเดียวแอกที่เขาใช้ใส่คอวัวคาควายเวลาไถนาแอกเล็กๆงอพอบอกว่าชาวนาหาตัดกิ่งไม้มาทำแอกหมีนึกอุบายออกทันทีเลย บอกว่านี่ลุงข้าพเจ้าเดินมาเมื่อกี้เห็นต้นไม้ต้นหนึ่งกิ่งมันเป็นแอกได้ทุกกิ่งเลยแล้วแปลกนะคํานี้ของหมีนะไปดูเถอะไม้สกรอปเป็นแอกไปทุกกิ่งจริงจริงเพราะไม่มีกิ่งไหนที่มันจะตรงอย่างนี้เลยมันจะงีบงอกรกิ่งไม้สกรอมันเข้าเรื่องอยู่เหมือนกันไปตัดกิ่งไหนมาก็ทําแอกได้หมดกิ่งไม้สกรอชาวนาก็เลื้อเลื้ไหนไหนชี้เลยนู่นเห็นปลายลิบลิบสูงสูง ชาวนานก็ละจากหมีเดินแบกขวานจำอ้าวดีใจเจอแล้วไม่ต้องหาให้นานก็ไปแงนมมองไม้สครอตอูจริงอย่างหมีว่ากิ่งไหนก็มีแต่งองเป็นแอกได้ทั้งนั้นและเราจะเอายังไงเนี่ยมาทำไมสูงขนาดนี้ต้นโตสูงใหญ่ท่านจะขึ้นไปตัดมันก็ไม่ไหวซะและ้วสังขารร่างกายเราคงขึ้นปีนไปไม่หมดไม่ไหวค้นซะเลยดีกว่า อย่างน้อยค้นลงมาแล้วเราสามารถเลือกเอาอันไหนงามไม่งามได้เท่านั้นแหละชาวนาก็ลงมือค้นต้นสครอเลยวันพกปกปกรุกขเทวดาสิงสถิตอาศัยต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นอยู่โกรธชาวนาว่าอะไรอยู่ดีไม่เคยผูกอาฆาตกันเลยทําไมมาทําลายที่อยู่กันอย่างนี้ในลิมิตล่างออกมาด่าชาวนาชาวนาวบอกว่า ข้าพเจ้าไม่ได้มาตั้งใจจะตัดต้นนี้หรอกหมีมันบอกมาหมีมันบอกมาเหรอหมีตัวไหนหน่นหมีไปเมื่อกี้เนี่ยอ้าวเมื่อกี้มันก็มาอาศัยร่มเรานอนอยู่นี่นาเนี่ยทำไมบอกคนอื่นมาทำลายเราซะและ้วล่ะเท่านั้นแหละเทวดาแคนแคนหมีบอกว่ากระซิบบอกชานาวะนี่ท่านรู้ไหมว่า บรรดาเชือกแอกที่เหนียวที่สุดคือหนังหมีถ้าเอาหนังหมีมาทําเชือกแอกนะใช้กี่ปีไม่ขาดชาวนาเลอ้อเลอ้อเลอ้อเอา้ามันไปไหนแล้วหมีมองเห็นหลังเดินริบรีบหมีก็สบายใจเชิบอยู่แก้งได้แล้วสบายเดินตุม้มเตียมตุม้มเตีย ม, ม, มชาวนาตัดเอาแอกได้สองสามท่อนรีบแบกขวานตามหมีไปเจอหมีก็เรียกหมีหมีเจ้าหมีรอก่อน ขอบใจมากนะที่บอกให้ไปตัดเอากิ่งไม้แต่ว่าต้องรบกวนเจ้าซะแล้วชาวนาก็เนื้อขวานขึ้นจามลงไปที่กระบาลหมีคาดจะถลกเอาหนังหมีหมีก็ทนทุกข์ทรมานร้องทุรนทุลายด่าชาวนาว่าทำไมอุตสาหชีตของดีให้เรายังกลับมาทำร้ายเราอีก ชาวนาก็บอกว่าไม้สะเคราะมันบอกมา <laughs> ตั้งแต่นั้นมต้นมามีกับไม้สะเคราะก็เลยเป็นคู่อาฆาตจองเวรกันมาตลอดจนถึงบั น, นี้แหละ <laughs> แล้วใครได้ประโยชน์คนที่จองเวรกันเป็นผู้เสียประโยชน์ <c oughs> เพราะคนจองเวรคนอื่นเน่มักจะชี้ช่องให้คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์เสมอไป เห <im itation> มืมนหอนกันก็เหมือนกับนกคู่กับกาเ่ะเจอันที่ไหนมันต้องฟัดกันที่นั่นอะไม่เคยปล่อยไปมีกับไม้สกร้อนนี่ไม่รู้เหมือนกันมีที่มันไม่เคยรู้ประวัติมันอาจจะไม่รู้นะอ่าเป็นเรื่องที่มีอยู่ว่าอย่างนี้แต่ว่าเวลาหมีเจอไม้มสกร้อนจริงมันจะกลัวหรือไม่กลัวก็ไม่ทราบเหมือนกันมันคงจะรู้นะโดยสัญชาตญาณเพราะเขาาดูอาการว่าเวลาหมีเห็นไม้ ส, รสคร้อนที่ไรมันทุลนทุลายไม่อยากเข้าใกล้อยากจะหนีอะไรนั่นก็เลยเป็น เป็นเป็นจุดที่ให้บัณดิตผู้ผูกอุบายที่จะสร้างเรื่องขึ้นมาเป็นคติสอนใจอะไรนะสร้างเรื่องขึ้นมาได้เอาละพอแล้วเนี่ยหายง่วงแล้วเนี่ย